ทีนี้ก็อธิบายเพิ่มเติมในเกี่ยวกับเรื่องอธิฐานธรรมนะครับว่าอธิษฐานธรรมทั้งสประการคือสัจจะจาระคะอุปสมะและปัญญานะ่ยนะอธิอฐานธรรมแปลว่าทํามันเป็นที่ตั้งมั่นเนี่ยทั้ง4ประการเนี่ยนะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับพระพุทธเจ้านะพระองค์บําเพ็ญอธิฐานธรรมเหล่านั้นอย่างไรเพราะว่าคําว่าอธิฐานธรรมนี้ตอนที่เราเรียนคําว่าพักวานี้ก็ได้เคยกล่าวไปครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับะนะ ในพุทธคุณที่กล่าวถึงพระควานะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกุรธธรรมมีหไหมว่าพระองค์นั้นมีอธิฐานธรรมทั้งสประการนะมีอธิฐานธรรมทั้งสประการอธิฐานธรรมก็คือธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันที่เคยกล่าวไว้ข้างก่อนว่าจะเอามากล่าวตอนหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับความที่มีอธิฐานธรรมคือสัจจะเป็นบา ร, รมีของพระผู้มีพระภาคเจ้า สัจจนะาบารมีเหมือนั้นเถอะผู้ครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ได้ทําอาภินิหารคือการตั้งความปรารถนาเอาไว้ในโลกุตระคุณถึงความบริบูรณ์เพราะทรงบําเพ็ญบารมีทุกข้อตามปฏิญญาเนี่ยนะคือปฏิ ญ, ญาว่าจะต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เขาบำเพ็ญข้อปฏิบัติอะไรบ้างท่านก็บําเพ็ญข้อปฏิบัติเหล่านั้นได้อย่างครบถ้วนเหมือนกันเถอะ ถ้าพูดแบบสมัยเราเราก็คือบอกว่าปฏิญญาว่าจะเป็นพระภิกษุก็จะประพฤติตามทำตามวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ครบถ้วนในฐานะปฏิญาว่าเป็นพระภิกษุแล้วนะแบบเนี้ยนะแต่นี้เอาแบบพระพุทธเจ้าแต่เราพูดเพื่อความเห็นชัดเท่านั้นเอง <S <S <S <S เนื่องจากประกอบด้วยพระมหาการุณาที่คุณนะน ะ, นะที่ปฏิญญาทั้งหมดเหล่านั้นก็เพราะอะไรเพราะการุณาต่อศัตร์ทั้งหลายนั่นเองนะครับ เพราะสงสารสัตว์นั่นแหละจึงคิดแบบนี้ทําไมสงสารก่พอพระองค์ดับรอบโดยพระองค์เองเรียบร้อยแล้วแต่นี้ก็สงสารสัตว์นะเขาบอกว่าเขาน่าจะมีส่วนแห่งคุณเหล่านี้ด้วยนะเขาน่าจะนะก็เลยหน่าจะไม่ใช่หน้าจะเฉยๆแล้วก็ตั้งความหวังต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่างนั้นเถอะนี่สําหรับอธิฐานธรรมคือสัจจะนะก็คื อ, คอตั้งปฏิญญาว่าจะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้อย่างนั้น แล้วก็ปฏิบัติตามอย่างที่พูดไว้แหละอันนี้เป็นอธิฐานธรรมคือสัจจะของพระองค์แล้วยังพระองค์ยังมีอธิษฐานธรรมคือจาฆะนะครับจาฆะนี้บา ร, รมีหมายถึงความบริบูรณ์เพราะทรงสละทิ้งสิ่งที่เป็นค่าศึกเนี่ยนะสมมติว่าฐานนี่ก็ต้องเสียสละสิ่งที่เป็นค่าศึกของทานก็คือมัชฌิริยะในทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยนะ มัชฌิยายในวัตถุทั้งหลายเนี่ยจะต้องสละอันนั้นออกไปจึงจะให้ฐานได้หรือคนที่จะรักษาศีลได้เนี่ยนะครับจะต้องเสียสละการมคุณต่อไปนะครับรักษาศีลเนี่ยศีลเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดกา ม, มสุขขลิกานุโยกนะครับสุขในกามเนี่ยนะครับผูท้ที่รักษาศีลจะต้องไม่มีไม่ได้รับความสุขในกามที่ที่เสียหายนะครับที่เป็นไปเพื่อมีทุกข์มีโทษเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดกา ม, มสุขขลิกานุโยค สมาธิเนี่ยนะครับจึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดอัตตะกิลมาถฐานุโยกตัวปัญญานะครับเป็นมัชฌิมาปฏิปทานี้กล่าวตามวิสุทธิมรรคนะครับเพราะฉะนั้นให้เห็นว่าอธิฐานธรรมคือจาฆาเนี่ยนะครับหมายถึงการสละสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อบา ร, รมีทั้งหลายเลยเนี่ยนะครับจะต้องสละออกไปเช่นถ้าจะเจริญสมถาะาก็ต้องสละนิโวลได้นะครับ ต้องสละนิวรณ์ความเคยมีความสุขเพลิดเพลินแบบกำลักามก็ต้องสละออกไปนะถ้าหากว่าจะบำเพ็ญปัญญาก็ต้องเสียสละความโง่เคลาออกไปนะครับถ้าจะบำเพ็ญความเพียรก็ต้องเสียสละความสุขสบายอันนั้นออกไปนะครับโดยมาบำเพ็ญเพียรไม่ใช่ซึ่งซึมท้อแท้หรือว่าถ้าหากว่าจะบำเพ็ญขันติก็ต้องสละความกโกรธออกไปเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องเสียสละสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอธิฐานธรรมคือจาระะของพระ อ, องค์ ความมีอธิฐานธรรมคืออุปสมะเนี่ยนะครับเป็นบารมีถึงความบริบูรณ์เพราะทําจิตให้สงบด้วยคุณทั้งหลายนะพระองค์งนี่มีความสงบด้วยคุณธรรมทั้งหลายถามว่าคุณธรรมทั้งหลายก็คืออะไรครับไม่วาม่าทั้งพวกฌานทั้งหลายแหล่เป็นต้นะนะทั้งฌานอรูปฌานทั้งหลายแหละก็มีในพระองค์พระพุทองค์ทําจิตให้สงบไปด้วยกับฌานทั้งที่เป็นลัคนูปนิสช า, อ า, านอารัมณูปนิสชาณเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็อุปสมะอธิฐานธรรมคืออุปสมะคือความสงบนะครับ สงบในที่หมายถึงสงบจิตสงบจากบาปอากุศลธรรม ท, ทั้งหลายแต่แบบชั้นสูงสุดเลยก็คือจิตที่มีความสงบอย่างยิ่งคือ น, นิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองบารมีคุณใช่ไหมครับทำจิตให้สงบทั้งหลายเนี่ยนะครับด้วยบารมีคุณใช่ไหมครับคือตอนนี้เข้าแปลไอ้บารมีเนี่ยมาไว้ข้างก่อนแปลว่าความมีอธิษฐานธรรมคืออุปสมะเป็นบารมีว่าไ ง, งต่อ หรืออาจจะแปลแยกว่าความเมียธิฏฐานธรรมคืออุปสมะเป็นบารมีถึงความบริบูรณ์เพราะทําจิตให้สงบด้วยคุณเราแปลแบบนี้อันรวมความว่าส่วนอธิฐานธรรมข้อสุดท้ายคืออธิฐานธรรมคือปัญญานะครับถึงความบริบูรณ์เพราะความที่พระองค์ทรงฉลาดในอุบายอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นฉลาดที่จะช่วยคนอื่นนะนะว่าควรจะช่วยโดยวิธีไหน อย่าลืมว่าพระองค์นี้เป็นผู้สามารถในการฝึกสัตว์นะครับเพื่อเล่นไปสู่ทิศอันไม่ตายคืออมตะเนี่ยนะจะฝึกด้วยวิธีใดเนี่ยนะพระองค์รู้วิธีที่ฝึกอย่างยอดเยี่ยมถามว่าวิธีฝึกนี่เป็นยังไงก็ดูในพระไตรปิฎกนะครับแต่ละสูตรแต่ละสูตรก็ชื่อว่าแต่ละวิธีฝึกเพื่อเข้าถึงอมตะธรรมทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้นัยหนึ่งอีกหนึ่งอีกนัย ห, หนึ่งนะครับอันหนึงอธิฐานธรรมคือสัจจะ ถึงความบริบูรณ์เพราะทรงปฏิญญาว่าจะให้ไม่ทำชนผู้ขอให้คลาดเคลื่อนคือผิดหวังอนะคือเพราะทรงให้โดยไม่ทำปฏิญญาให้คลาดเคลื่อนเขาบอกว่าพระองค์กล่าวว่าจะให้ใช่ไหมเมื่อเข้ามาเนี่ยนะครับพระองค์จะไม่ทำให้ผิดหวังเพราะว่าจะให้อ่ะอยกตัวอย่างเหมือนในศรีวิราชาดกเนี่ยนะครับพระองค์บอกว่าใครมาขออะไรอันนั้นจะให้หมดเลยนะครับ พรามนี่เขารู้ว่าเออพระราชานี่จะให้ได้ขนาดนั้นก็เลยจะมาขอตาเหมัอนกันขอดวงตาพระองค์ก็ไม่ทําให้เขาผิดหวังเลยนะไม่ทําให้เขาผิดหวังเลยคือให้ตาอย่างที่เขาขอนั่นแหละซึ่งอามาทั้งหลายบอกออให้อย่างอื่นเธอจะให้ดวงตาเลยไม่ได้เขามาขอตานี่ไม่ได้ขออย่างอื่นมันเราก็ต้องให้ดวงตาเข้าไปนะแล้วก็ยังมาย้ําตัวเองด้วยนะว่าใครที่บอกว่าจะให้แล้วไม่ให้ก็เข้าถึงนรกเหมือนกันมันยังมาเทศอีกนะ เพราะฉะนั้นนี้ก็บอกว่าทําคนที่มาขอไม่ให้ผิดหวังเพราะได้เอ่ยเพราะเอ่ยปากไปแล้วว่าจะให้อ่ะนะครับได้ตั้งใจไปแล้วจะให้จ ะ, จะไม่ให้ได้อย่างไงนะครับนี่เรียกว่าอธิษฐานธรรมคือสัจจะของพระ อ, องค์นะครับอย่างนี้ถ้าเป็นวิบากที่พระ อ, องค์เคยทําไว้ในดีดังนั้นเนี่ยเวลาพระ อ, องค์ต้องการอะไรก็ต้องได้ถ้าว่าตามผลก็ต้องได้อย่างนั้นพระ อ, อ, องค์ ป, <า>ปร ะ, ประสงค<น>์อะไรก็ได้แล้วอแต่สิ่งที่พระ อ, องค์ประสงค์โดยมากไม่ใช่กล่าว เมื่อไม่ใช่การพระ อ, องค์ประสงค์จะเข้าสมาบัติเมื่อไหร่พระ อ, องค์จะหวังความสงบพีติสุขเอกคตาจะเข้าฌานติดกันเจ็ดวันสงบโดยส่วนเดียวไม่มีทุกข์แทรกพระ อ, องค์ก็ทําได้หมดเลยนั้นน่ะนี่ต่อไปนะครับว่าพระ อ, องค์นี้ยังมีอธิษฐานธรรมคืออะไรครับเมื่อกี้นี่สัจจะอะไรใช่ไหมครับทีนี้ต่อไปอธิฐานธรรมคือจาคะ ถึงความบริบูรณ์เพราะทรงสละไทยธรรมศาสตราเนี่บอกว่าจะให้ก็ให้จริงๆอ่ะนะแล้วก็สละไทยธรรมคือของที่จะให้เนี่ยได้ให้จริงๆวันนั้นวัตถุอันนั้นได้รับการให้อย่างแน่นอนนะครับบอกว่าจะให้ลูกก็ให้ลูกไปจริงๆบอกว่าจะให้แม่บ้านให้ภรรยาก็ให้ไปจริงๆให้ราชสมบัติก็ให้จริงๆให้อะไรก็ให้ไปจริงๆนะครับไม่นึกเสียดายด้วยซ้ําไปนะครับนี่ถ้าเกิดนึกเสียดายเมื่อไหร่นะจมาทานอีก มาฐานตั้งความปรารถนาะว่าขออย่าได้เดือดร้อนใจในภายหลังเลยเมื่อทําบุญไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราไปทํากุศลอะไรอันใดอันหนึ่งทําเสร็จแล้วไม่สบายใจนะควรตั้งความปรารถนาะว่าด้วยเดชแห่งบุญนี้ขอจงเป็นไปเพื่อให้รักษาใจได้ในการสานะครับนะควรตั้งความปรารถนาะแบบพระเวสสันดร น, นะพระเวสสันดรตั้งความปรารถนาะเลยมีอยู่ข้อหนึ่งในพรเทพะอิน์ให้ว่าขออย่าได้เดือดร้อนใจในภายหลังอีกเลย คือคือพระเวสสันดร น, นี่ให้การหาชาลีไปเป็นทานใช่ไหมครับแล้วเขาเคี่ยนลูกแล้วก็ตัวเองก็ไม่สบายใจนะครับอาศัยความไม่สบายใจอันนั้นเนี่ยตั้งความปรารถนาเลยขอย่าได้เสียใจแบบนั้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นของเราก็เวลาทํากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งทํามั่นใจก็ทําไปเลยแต่ก็คํานวณไว้ได้ว่าต้องรักษาใจได้นะหรือถ้ามันรักษาไม่ได้ก็ทําบุญแล้วตั้งความปรารถนาอีกขอจงเป็นไปเพื่อให้ทําใจได้เหมงอนกันเนี่ย จากไม่เสียใจในภายหลังจากไม่เดือดร้อนใจในภายหลังเพราะตอนนั้นทำดีแล้วนะนะมานั่งกล่มในเรื่องเก่าๆก็ไม่ต้องคิดทำอะไรใหม่ๆแล้วนะครับนั่งเช็ดนั่งล้างของเก่าอยู่นั่นแหละทีนี้ต่อไปนะครับพระองค์ก็ยังมีอธิษฐานธรรมคืออุปสมะถึงความบริบูรณ์เพราะทรงระงับภัยคือโลภะโทสะโมหะได้ในเมื่อผู้รับทยธรรมไม่มีคือบางคนเนี่ยนะคิดจะให้ พอคิดจะให้แล้วไม่มีใครมาเอาก็โลผ้าก็เกิดดีโอยนะครับโทสะเครียดอีกโมหะกลุ่มรุมอีกแต่อันนี้ไม่มีคิดจะให้แล้วเมื่อไม่มีใครให้ก็โลผ้าโทสะโมหะไม่เกิดอันนี้ก็อุปสมะอย่างหนึง่งหรือเมื่อทายธรรมหมดไปก็สงบอีกนะครับสรุปได้ให้ก็ดีไม่ได้ให้ก็ดีแต่ตั้งใจว่าจะให้นะครับได้ให้ก็ดีแล้วทาไม่ได้ให้ก็ไม่เป็นไรนะนีท่านทําใจได้แบบนั้นนะครับ ความสงบใจนะครับไม่ได้ให้แล้วเกิดโลภะนี่เกิดยังไงกันก็เสียดายดีมกันของจะได้ไม่หมดอะไรเงี้ยนะโลภะก็เกิดต่ออย่างแต่ก็โลภะก็ไม่เกิดนะก็ไม่ได้ให้วันนี้เดี๋ยววันหลังให้ก็ได้ก็แล้วกันนะสามารถเลื่อนได้อนะลักษณะนั้นนะแต่บางคนเออดีจะได้ไม่หมด <c oughs> อันนั้นก็โลภะใช่ไหมครับโทสะแม้เครียดใหญ่เลยอุตส่าห์จะทำซะหน่อยไม่มีใครมารับเลยสีจจยใจอีกนะ วันนี้เพิ่งตั้งใจจะใส่บาตรพระไม่มาเอกเสียใจใหญ่เลยนะอันนี้ก็เกินไปมั้งนะเพราะไม่มีอุปสมะนะแล้วก็พระองค์ก็ยังมีอธิฐานธรรมคือปัญญาปัญญาที่ถึงความบริบูรณ์เพราะทรงให้ตามควรตามกาละให้ก็รู้จักให้ตามสมควรนะครับแล้วก็ให้ตามกาลเวลาว่าขณะไหนเหมาะสมที่จะให้และให้ตามวิธีวิธีที่ถูกต้องในเรื่องนั้นนะ่ะควรทํำยังไงก็จะให้ตามนั้น เพราะทรงยิ่งด้วยปัญญาอาศัยปัญญาเนี่ยนะรู้เวลารู้ให้ว่าสมควรให้แค่ไหนอย่างหนึ่งควรให้เวลาไหนอย่างหนึ่งวิธีให้เป็นอย่างไรเนี่ยอย่างหนึ่ง น, นะก็รู้จักสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับบางคนเนี่ยคิจะให้แต่ไม่รู้จักวิธีให้ที่สําเนินว่าตําน้ําพริกละลายแน่น้ำอ่ะนะนะอยากจะทําบุญเหลือเกินซื้อเหล้ามาเลี้ยงพวกใหญ่เลยเนี่ยนะอยากจะทําบุญเหลือเกินค่าสัตว์ยกใหญ่เลยเพราะฉะนั้นคือไม่รู้จักวิธีทํานั่นเอง เพราะฉะนั้นด้วยปัญญาตัวนี้ก็จัดการในเรื่องของรู้จักวิธีให้ทานแล้วก็ควรจะให้ยังไงถ้าเป็นสมัยใหม่เขาอาจจะทําให้แตกอยากให้ยาวๆก็ประเภทสมัยก่อนเขาก็นิยมพูดถึงสร้างวัดสร้างวานนะมันเป็นบุญที่ยาวเนื่องทําสะพานบอ่อหนา้าเป็นต้นสมัยใหม่เขามามีวิธีทําบุญแบบมูลนิธินะครับก็เป็นการทําบุญระยะยาวแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าวโหจะทํามูลนิธิมั่วไปหมดก็ไม่ใช่ รู้จักผลประโยชน์ว่ามูนในิี่นี้มีจุดหมายจุดประสงค์ยังไงเป็นต้น น, นะนะหรือที่หรือที่อื่นๆก็จะในลักษณะเดียวกันถ้าสร้างวัดก็ควรจะวัดพระภิกษุ์แบบไหนมาอยู่ท่านประพฤติยังไงปฏิบัติยังไงมีหลักการยังไงอะไรยังไงก็มองเห็นหมดตามวิธีรู้จักวิธีการไม่ใช่ใชาวศักด์ว่ า, วาแต่ทําเสร็จแล้วก็ไปชวนกุ้ยที่ไหนามาบวชอยู่ก็ไม่รู้อย่างไงีก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอั้นความบริบูรณ์แห่งอธิฐานธรรม4แม้ในบารมีที่เหลือก็พึงทราบ ตามนัยยะนี้นะครับคือนี้ยกตัวอย่างเฉพาะทานบารมีนะว่าพระองค์เนี่ยแม้แต่ทานบารมีก็มีอธิฐานธรรม4ประการศีลบารมีก็มีอธิฐานธรรม4ประการเพราะฉะนั้นถ้าอธิฐานธรรมไปคูนบารมี10ก็เท่ากับมีอธิฐานธรรมสี่สนะใช่ไหมครับเพราะว่าบารมีแต่ละข้อก็ได้อธิฐานธรรมทั้ง4ประการนะก็ฉั้นบารมีแต่ละบารมีก็มีอธิฐานธรรมทั้งหมดเลยถ้าพูดแบบพิสดารก็จะได้อธิฐานธรรม40 นะครับถ้าเอาบารมี30ก็เท่ากับได้อธิฐานธรรมร2 0ยยนะครับูณ4ก็เท่ากับ120ยนะครับเยอะแยะไปหมดเลย ว, วิธีทำบุญเนี่ยไม่ยากเลยนะนะบุญเนี่ยถ้ารู้วิธีนะก็บารมีทั้งหมดอ บ, บรมทำให้เกิดมีด้วยสัจจะนะที่ทำให้มีขึ้นเนี่ยสัจจะนะเด่นชัดด้วยจาคะนะครับที่ที่เด่นชัดว่าเป็นการกระทำจริงๆ แล้วก็เพิ่มพูม ด, ด้วยอุปสมะบริสุทธิ์ด้วยปัญญานะครับนี่คือลักษณะของอธิฐานธรรมทั้งหมดนะรวมความว่าอธิฐานธรรมคือสัจจะของภาะธรรคตผู้ประกอบด้วยอธิฐานธรรมสถึงความบริบูรณ์ดังพันานา ม, มาเชนี้นะบุญญาบารมีทั้งหมดถึงความบริบูรณ์เพราะมีอธิฐานธรรมนะครับคือลำพังบารมีถ้าไม่มีอธิฐานธรรมเข้าไป ควบคุมอีกครั้งเนี่ยนะครับบารมีที่จะเต็มพอกพูนภัยบุญก็นับว่ายากเหมือนกันอันอธิฐานธรรมเป็นเหมือนกับตัวคอนโทรลตัวควบคุมให้บารมีดําเนินไปด้วยดีเอข อ, ค ร, ขอ ค, ครับเเหตุปัจจัยอะไรทำให้เกิดอธิฐานธรรมแบบว่ามั่นคงอ่ะคนบางคนอธิษฐานไปแล้วก็ทําไปพอเจออุปสรรคแล้วก็ถดถอย ท, อท้อแท้กลัวหรือว่าเกิดความอ่อนแอขึ้ น, นอธิฐานธรรมก็ไม่สําเร็จครับก็ ทำความเข้าใจเรื่องอาสังขาริกกับ ส, สังขาริกให้ดีคือบางคนนี่เป็นลักษณะของ ส, สังขาริกคือทำอะไรได้ไม่ค่อยยาวจะอาสังขาริกกับเขาสหน่อยก็ได้ไม่ยาวก็ควรศึกษาชีวิตของคนที่อาสังขาริกให้มากๆให้เป็นตัวอย่างนะครับว่าเขาทำได้นะทำไมเราจะทำบ้างไม่ได้ก็ตั้งจิตแบบนี้นะเขาก็ฉันข้าวเราก็ฉันข้าวทาไมเราจะทาไม่ได้ก็อาจจะคิดแบบนี้นะเขก็ทาได้นะ ถ้าคิดลักษณะนี้ก็ทําได้นะครับแต่ถ้าไม่คิดเลยก็คงทําไม่ได้แต่ถ้าในขณะเดียวกันถ้าดูเราไม่ไหวจริงๆก็ต้องหากลยารในมิตรที่มีแนวการในเรื่องนั้นนะครับเราอ่อนแอด้วยอยากเป็นผู้นําด้วยมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมนะครับถ้ามีอุดมการณ์จะทําเรื่องนั้นเราก็ไปเป็นลูกมือช่วยคนอื่นก็ยังดีถ้าเราทําเองไม่ได้นะเป็นผู้นําเองไม่ได้ก็เป็นผู้ตามแต่เรื่องนี้เราชอบอะ่ะก็ไปเป็นลักษณะนั้นเอานะครับ แต่ว่าตัวเองก็ฝีมือไม่ถึงด้วยก็จะเอาจะครองตำแหน่งอันนั้นด้วยนะครับอุปสรรคมาก็ล้มและเนรณาไปเป็นทาเลยเสียผู้เสียคนไปหมดนะเพราะนั่นอธิฐานธรรมนี้ทั้ง4ี่ประการนี่นับว่าเด่นชัดมากนะครับควบคุมบารมีเหมนนแต่ตัวคอนโทรลบารมีครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยให้ทานไปเดี๋ยวแหมมันใจคอไม่ค่อยดีได้นะ ให้ไปแล้วนึกเสียด้เนี่ถ้ารู้อย่างนี้นะทีแรกให้10 บ, บาทรู้อย่างงี้ให้ซะหาบาทก็ดีอะไรเงเพราะขาดอธิฐานธรรมเป็นต้นนั่นเองอันอนธิฐานธรรมเป็นระบบควบคุมการสร้างบารมีในการพอกพูนให้ภัยบุ์ต่อไปต่อไปนะครับว่าอธิษฐานธรรมก็ยังมาสงเคราอ์เป็นวิสุท ธ, ธินะว่าศีล้ววิสุท ธ, ธิถึงความบริบูรณ์เพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือสัจจะ คนที่รักษาศีลได้เนื่องจากมีสัจจะนะครับไม่มีสัจจะรักษาศีลไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอธิษฐานอธรรมจะบริสุทธิ์บริบูศีลวิสุท ธ, ธินะครับความบริสุทธิ์ของศีลเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นปาติโมกขสังวนอินทรียสังวนปัจญาสันนิศิตศีแล้วก็อาชีวะปาลิสุทธิตศีเนี่ยจะบริสุทธิ์บริบูรณ์เหล่านี้ได้อาศัยสัจจะนะครับถือว่าเป็นตัวเด่นหลักนะครับถ้าไม่มีสัจจะนี่ก็ศีลนี่แย่แน่อาชีวะ วิสุทธิ์นะครับความบริสุทธิ์แห่งอาชีพเนี่ยนะถึงความบริบูรณ์เพราะประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือจาคะอาชีพจะบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ก็ต้องรู้จักเสียสละนะครับถ้าสละไม่ได้ก็อาชีพบริบูรณ์ไม่ได้นะครับก็ต้องรู้จักเสียสละคือเสียสละก็คือคุณธรรมประเภทสันโดษเรียกว่าเช่นบินธบัตเป็นต้น น, นะไอ้คุณธรรมคือการบินธบัตินี่ชื่อว่าจาคะอย่างหนึ่งมัน ค, ะนะครับ พอสละไอ้ความผาสุกแหมนี่นะถ้าเราทำอเนสนากรรมเขาอาจจะทำให้เอามาให้ฉันถึงวัดเลยนะหรือไปหุงข้าวต้มแกงเองฉันก็อาจจะอร่อยกว่าเขาใส่บาทมาอะไรเง้ยนะก็ต้องเสียสละไปบินฑบาทซะเป็นต้ น, นนะเพราะฉะนั้นต้องสละนะครับอันทุดงทั้งหลายแหละก็คือลักษณะของจาคะนะครับนี่ต่อไปจิตวิสุทธิ์นะครับความบริสุทธิ์ของจิตถึงความบริบูรณ์เพราะ ทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคืออุปสมะความสงบนะครับต้องคนต้องมีความสงบนะถึงจะเจริญจิตตาวิสุธทธิ์ได้ทิฏฐิวิสุธทธิถึงความบริบูรณ์เพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือปัญญานะครับปัญญานี้นวัดเด่นชัดมากทําให้ทิฏฐิบริสุทธิ์เป็นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิสัจญานุโลมิการานเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอาศัยปัญญาอันนี้เรียกว่าสงเคราะห์อธิฐานธรรมเป็นศีลวิสุธทธิอาชีวะ วิสุทธิจิตตวิสุทธิหรือทิฏฐิวิสุทธินะครับอาศัยอธิฐานธรรมเหล่านี้นะช่วยทําให้วิสุทธิเหล่านั้ น, น, นบริบูรณ์เกิดถ้าเราจ ะ, จะเจริญงานมันจะต้องปฏิบัติมาตามลําดับหรือเปล่าครับตั้งแต่สัจจะจะค่าอะไรเงี้มาตามลําดับหรือเปล่าอ่าผมว่าถ้าเราเข้าใจนะีนี่เป็นลําดับของเทศนา ให้เห็นเด่นความเด่นชัดแต่เวลาปฏิบัติมันเกิดการปรับปรุงกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละครับ <Okay. S 1> จนกว่าจะเข้าที่นะ mm hmm. คือก็เหมือนกับปรุงอาหารเนี่ยมันไม่ได้ว่าคุณต้องคนแบบนี้ก่อนนะคนซ้ายคนขวาหรืออะไรเป็นสู่ตายตัวอะไร mm hmm. แต่ให้ประกอบว่าต้องอยู่เป็นไปตามระบบนี้นะเห็นไหอาจจะหนึ่งสองสามจะก็หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยนะ mm hmm. กลับไปกลับมาอยูน่นี่อย่างเงี้ยแหละครับ mm hmm. ทาําเรียกว่าเป็นลักษณะวิชาฝึกหัดนะครับ ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าฝึกหลายๆรอบจริงจะเป็นอันนี้ก็เหมือนกันศึกษาเรียนรู้จนเข้าใจแล้วก็เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์เองนะครับจะเหมือนกับศีขาสามศีลสมาธิปัญญาอนะไรเงี้ยครับผมคือในชั้นต้นถ้าพูดแบบรวมๆนะอย่างเช่นศีลสมาธิปัญญานะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะสมาธินะอบรมศีลปัญญานะมาอบรมสมาธิอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าหากว่า ในระหว่างนี้ก็จะมีการศึกษาสลับกันไปสลับกันมาอยู่นั่นแหละครับจนกว่าจะเข้ากันเป็นอย่างดีนะครับจนกว่าศีลสมาธิปัญญาจะสัมปยุตพร้อมเดียวกันขณะเดียวกันเป็นอรหัตมักนะครับแต่ว่าในขณะเบื้องแรกนะก็เอากว่าจนจะเข้าเนบเนื้อนั่นแหละครับจนจะเข้าเป็นสนิทกันนันะ่นแหละฝึกไปฝึกมาแต่ไม่ต้องห่วงครับในระหว่างเจริญก็ถามว่าเป็นกุศลไหมเป็นมีโทษไหมไม่มีโทษไหนผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เป็นสุขถ้าทำไม่เสร็จก็ให้ผลเป็นสุขอยู่แล้วจะเป็นหนักใจทำอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีถึงยังไม่อรหันต์ไม่ได้เอาถามว่าที่ทำไปเป็นบุญไหมบุญเอาถ้าทำบุญไว้แล้วไม่ได้รับความสุขก็ให้รู้ไปสนะิผมก็คิดแบบนี้ก็พอละถ้าไม่ทำอย่างนี้ไปทำอะไรเขาถ้าไม่เป็นกุศลก็เป็นอกุศลแทนอกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใครรับอ่ะ ไปในรลกเราโหดูยากเหมือนกันเดี๋ยวมาร้องมาขันมาหาหนูหามอะไรกินอย่างเงี้ยแย่เลยนะครับเป็นมดเป็นปลวกเป็นกุ้งเป็นโอ้ยลําบากนะครับไม่ไม่ม่วนเลยนะครับถ้าไปอาบายแล้วเพราะฉะนั้นยังไงยังไงก็ให้อย่าไปอาบายก่อนก็ใช้ได้นะครับอันระหว่างที่เจริญสิ่งเหล่านี้ถึงยังไม่บริบูรณ์มันก็ต่อได้นะครับนิชาเหล่านี้ต่อได้ไม่สูญหรอกครับเพราะชื่อว่าสะสมบุญอย่างอุปนิสัยไว้ในสายนี้ไว้แล้ว แต่ถ้าไม่เจริญไม่สแสวงหาอุปสปณิสัยในด้านนี้ไว้กม็มันก็ต้องเจริญการุณาให้ตัวเองมากมกกันนะครับทีนี้ต่อไปนะครับว่าศีลของพระตถาคตนั้นเพ่งทราบด้วยการอยู่ร่วมกันเพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือสัจจะนะครับ หลักของศีล น, นะครับศีลเนี่ยจะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆและคนมีปัญญาจึงจะรู้ว่าใครมีศีลไม่มีศีลเพราะฉะนั้นนี่เนื่องจากพระองค์มีสัจจะเนี่แหละศีลของพระองค์เลยพิสูจน์ได้เห็นไหมครับคนที่ติดตามพระพุทธเจ้าแล้วมีคุณธรรมด้วยตําหนิพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วครับมีแต่สุนขัขตะลชวีเท่านั้นนะครับที่เป็นมิจฉาทิฐิในตอนหลังอะนะท่านั้นแหละคนอื่นๆผ้าโนนเคยไหมตําหนิพระพุทธเจ้าหมายใหพระองค์ไม่น่าอย่างนั้นอย่างนี้ตําหนิใหญ่เลยนะ หันมาดา่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นไม่มีนะครับคนเหล่านั้นเขาพักดีอย่างมันง่นคงเพราะพระองค์เป็นผู้มีศีลนี่เพราะพระองค์มีสัจจะนี่นะครับเพราะฉะนั้นศีลจะพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆ น, น, นะครับความสะอาดพึงทราบได้ด้วยการโวหารนะครับเรียกว่าความสะอาดจะรู้ได้ด้วยถ้อยคำนะสังโวหารใช่ไหมครับสังโวหารโวหารก็คือถ้อยคําทั้งหลายและนะ่นั่นเอง มันความสะอาดจะรู้ได้ด้วยคําพูดเหมือนกันเถะนะว่าใครเป็นคนสะอาดจริงหรือไม่สะอาดจริงก็สังเกตดูคําหน้ากับคําหลังของเขาอ่ะว่าเขาเป็นคนสะอาดไหมนะครับถ้าหาว่าวันก่อนกับวันนี้เห็นพูดเหมือนกันสักวันเนี่ยแสดงว่าไม่สะอาดจริงมันเรียกว่าสืบต่อสัตว์จะไม่ได้สืบต่อความสะอาดไม่ได้มั้นสัตว์ความความสะอาดจะรู้ได้ด้วยคําพูดนะครับ แล้วก็คนมีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้ได้ไม่มีปัญญารู้ไม่ได้กันนะครับกําลังใจเพิ่งทราบในคราวมีอันตรายนะครับในคราวมีอันตรายว่าใจกําลังใจดีหรือไม่ดีก็ดูว่าใกล้จะตายเป็นต้นเนี่ยนะครับดูที่ว่ากําลังใจนี้ดีไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาดีไม่เวลาใกล้จะตายเนี่ยนะหรือมีอุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะก็ดูที่ว่ากําลังใจคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาดีไหม เพราะฉะนั้นก็บอกว่ากําลังใจเพิ่งทราบในคราวมีอันตรายแต่ของพระ อ, องค์นี้ทรงประกอบด้วยทิฏฐานธรรมคือความสงบกําลังใจอันนี้ก็รักษาต่อไปได้คื อ, คอบริบูรณ์นะนะและพระ อ, องค์นี้มีปัญญาก็บอกว่าปัญญานี้เพิ่งทราบในคราวสนทนาเพราะทรงประกอบด้วยทิฏฐานธรรมคือปัญญานะนะทําให้พระ อ, องค์มีปัญญาถามรู้ได้เมื่อไหรรู้ได้เวลาสนทนาสังเกตดูเวลาเทวดาไปถามปัญหาพระพุทธเจ้านะครับ ดูดิโอ้โหพระองค์ตอบอย่างนี้ได้ยังไงเนะี่ยดูในสังยุตตนิกายนะครับสคขาตะวัคเทวปุตตะสังยุตนะครับเทวดาสังยุตพรมสังยุตเป็นต้นเนี่ยนะวิธีพู้ที่พระองค์สามารถตอบปัญหาหรือตอบปัญหาแม้กระทั่งเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตอบปัญหาพรหมทั้งหลายว่าพระองค์นี้ มีความสามารถจริงๆนะครับเพราะว่าปัญญาจะรู้ได้ในคราวสนทนากันว่ามีปัญญาจริงหรือไม่เพราะว่าผู้มีปัญญาก็สามารถสนทนาแล้วลึกซึ้งขึ้นนึกซึ้งขึ้นลึกซึงกซ้งขึ้นเรื่อยๆไม่ซัดไม่สายไปไปมาๆนะครับอันนี้คือปัญญาจะรู้ได้เมื่อสนทนากันแต่ว่าเรื่องจากอธิฐานธรรมทั้ง4ประการที่มีในพระองค์ทําให้พระองค์เนี่ยมีศีลทั้นใครอยู่ร่วมกันนานๆกับพระองค์ก็พิสูจน์ได้ว่าพระองค์มีศีลจริงๆนะ แล้วก็ความสะอาดก็รู้ได้จริงๆว่าพราะองค์นี่มีวาจาที่ไม่ผิดพลาดนะครับแรกตรัสรู้เมื่อไหร่ตอนปริณิพาใกล้จะปริณิพานก็ตรัสแนวเดียวกันตลอดอันวาจาของพระองค์นี่สะอาดมาตลอดเลยนะครับแล้วก็กําลังใจของพระองค์เนี่ยเมื่อมีอันตรายพระองค์ก็ไม่ได้แสดงอาการสะดุ้งขนพองสยองกล้าวรู้สึกกลัวอะไรเป็นต้นไม่มีนะครับมีแต่ตั้งอยู่ด้วยความสงบเป็นต้น แล้วก็ปัญญานีครับดูสิพระธรรมคำสอนทั้งหมดเนี่ยพระองค์ตรัสด้วยอํานาจของปัญญาแต่อาศัยกรุณาเนี่ยกระตุ้นเตือนให้พระองค์แสดงอันหนึง่งพระถาคตอันโทสะปุถุสล า, ายไม่ได้เพราะทรงยับยั้งพระทัยให้อยู่เหนือโทสะได้เพราะทรงประกอบด้วยอธิษฐานธรรมคือสัจจะคนมีสัจจะจะไม่โกรธนะครับคือจะอดทนได้นะครับจะไม่โกรธเพราะฉะนั้นสัจจะเนี่ยทำให้ไม่โกรธนะครับ พระธารมโคดันโลภะให้ละโมบไม่ได้ทรงเสพปัจจัยเพราะทรงประกอบด้วยทิฐานธรรมคือจากะเนื่องจากพระองค์รู้จักเสียสละเนี่ยนะครับพระองค์ก็เลยเสพปัจจัยใดๆก็ไม่ละโมบอย่างนั้นเถิดไม่ละโมบในการเสพปัจจัยไม่ว่าจะอาหารบินทบาทที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มยูยาเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์จะไม่รู้มีความละโมบในปัจใจสี่เหล่านั้นเลยเพราะพระองค์มีจากะอนะไร คือพระพระ อ, องค์นี้เป็นผู้ที่ขัดเกลากันอย่างยิ่งนอะ่ะพระธถาคตอันภัยทำให้หวาดกลัวไม่ได้เพราะทรงหลีกเว้นได้เพราะทรงประกอบด้วยที่ฐานธรรมคืออุปสมะรังั้นภัยเนี่ยทำให้พระ อ, องค์ไม่กลัวเด็ดขาดเพราะพระ อ, องค์รู้จักหลบคือรู้จักหลีกรู้จักเว้น่ะนะรู้จักอะไรควรไม่ควรเป็นต้ น, น, นนะ คืออาสวะบางอย่างเนี่ยละได้ด้ว ย, วยการหลีกพระองค์ก็หลีกอาสวะบางอย่างละได้ด้วยการพิจารณาพระองค์ก็พิจารณาเมื่อพระองค์ดําเนินตามหมดตามนี้แล้วพระองค์ก็เลยไม่ได้หวาดกลัวอะไรเลยนะครับเรียกว่าสุดยอดของผู้มีประโยคนทั้งหลายพระธรรมโคันโมหะให้หลงไม่ได้เพราะทรงขจัดโมหะเสียได้เพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือปัญญาไม่มีความมืดแม้แต่นี้เดียวกลางกั้นครับว่า ปัญญาของพระ อ, องค์กําจัดความมืดเหมือนกับดวงอาทิตย์ในสารทธาสมัยที่ปราศจากเมฆหมอกส่องสว่างกลางเขาเนี่ยนะครับทําให้สว่างสวัยไม่มีมืดอะไรสักนิดเดียวเลยนะที่ที่ดวงอาทิตย์ส่องถึงนี่จะไม่มีมืดปัญญาของพระ อ, องค์ก็เหมือนกันไอโมหะเหมือนความมืดนะสติปัญญาของพระ อ, องค์ก็ทําให้ไม่มืดแบบนั้นแหละอันนี้เรียกว่าสงเคราะห์ อ, อธิฐานธรรมลงโทสะโลภะภัยแล้วก็ความหลงนะครับ อธิฐานธรรมเหล่านี้ลงได้นะครับอธิฐานธรรมคือสัจจะกับจาคะนี้มาจากพุทธคุณบทว่าพระขวตานะครับอธิฐานธรรมอุปสมะกับปัญญานี้มาจากพุทธคุณว่าอรหตานะครับนี้ต่อไปว่าการที่ทรงบรรลุถึงเนกขมสุขของพระตถาคตนั้นท่านแสดงไว้เพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือสัจจะ เพราะพระองค์มีสัจจะจึงเข้าถึงเนคข ม, มสุขสุขที่เกิดจากเนคข ม, มะสุขที่ออกจากกรามทั้งหลายนี่นะครับสุขที่เป็นไปกับกุศลเช่นสุขที่เป็นไปกับปฐมฌานเป็นต้นเนี่ยนะสุขเหล่านี้พระองค์ได้เพราะพระองค์มีอธิฐานธรรมคือสัจจะการที่ทรงบรรลุ ถ, ถึงปวิเวกสุขนะครับสุขที่วิเวกเนี่ยนะคือการเข้าสมาบัติทั้งหลายเนี่ยน ะ, ะท่านได้เพราะทรงประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือจากขะ ก็ต้องสละนี่นะถ้าจะเป็นฌานสมาบัติก็ต้องสละนิวรณ์เป็นต้นได้ถ้าเป็นผลสมาบัติก็สละขันเป็นต้นได้นะครับจึงจะเข้าถึงปวิเวกสุขที่วิเวกอย่างยอดเยี่ยมได้การที่ทรงบรรลุถึงอุปสมะสุขนะครับสุขที่สงบเนี่ยนะท่านแสดงไว้เพื่อประกอบเบือ้องฐานธรรมคืออุปสมะนะครับอันนี้ก็เป็นสุขในบรรลุนิพพานนั่นเองนะครับการที่ทรงบรรลุถึงสัมโพที่สุข สุขในการตรัสรู้นะครับท่านแสดงไว้เพราะทรงประกอบด้วยทิฐานธรรมคือปัญญาปัญญาเนี่ยทำให้พระองค์นี้เข้าถึงสัมโพธิสุขนะถ้าคนมีสัจจะจริงๆจะดูนะว่าจะได้เนเขมรสุขถ้ามีจารคจริงๆจะได้ปวิเวกสุขถ้ามีอุปสมะจริงๆก็ได้อุปสมะสุขถ้ามีปัญญาก็จะได้สัมโพธิสุกเนี่ยนะสุขสี่ประการนะครับเนเขมรสุขปวิเวกสุขอุปสมะสุขแล้วก็ สัมโพธิสุขนะฮะอธิฐานธรรมนี้เชื่อมไปหาหมวดธรรมได้มหาศาลเลยนะครับนี่คือหลักการเชื่อมให้เราเห็นนั่นเองนะครับว่าอู้นี่ถ้าหากว่าผู้ที่มีสติปัญญาเชื่อมแบบนี้พระไตรปิฎกทั้งพระไตรปิฎกก็สัมพันธ์กันเป็นทพลไปหมดอ่ะนะเทศเดวันเ็ดคืนก็ไม่มีจบมีสิ้นอ่ะนะอีกนอะย่างหนึ่งนะครับการที่ทรงบรรลุถึงปีติและสุข เกิดจากวิเวกท่านแสดงไว้เพราะทรงประกอบด้วยทิฏฐานธรรมคือสัจจะทำให้ได้รับวิเวกเหมือนันเถอะการที่ทรงบรรลุถึงปีติสุขเกิดจากสมาธิท่านแสดงไว้เพราะประกอบด้วยทิฐานธรรมคือจากขะอันคนที่มีจากขะก็จะได้ปีติสุขที่เกิดจากสมาธิการที่ทรงบรรลุถึงสุขทางกายอันเกิดจากปีติท่านแสดงไว้เพราะทรงประกอบด้วยทิฏฐานธรรมคืออุปสมะ เพราะฉะนั้นคนที่มีอุปสมาจะได้สุกกายอันเกิดจากปีติแค่ถ้าปีติทราบซ่านทั่วกายเลยนะสบายนะครับแผ่ซ่านการที่ทรงบรรลุถึงอุเบกขาและสุกอันเกิดจากความบริสุทธิ์ของสติท่านกล่าวไว้เพราะประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือปัญญาอันคนที่มีปัญญาก็จะได้รับความสุขความบริสุทธิ์ของสตินะสังเกตนะ สัจจะทำให้ได้รับปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกสมาธิเนี่ยทำให้บรรลุถึงปีติและสุขที่เกิดจากสมาธินะอุปสมะเนี่ยนะครับทำให้บรรลุสุขทางกายคือนา ม, มากายเป็นต้ น, นนะนะเกิดจากปีติปัญญาทำให้ได้รับอุเบกขาและสุขที่เกิดจากสตินะครับนั่นก็เชื่อมเนื้อหาให้เห็นชัดเจนเลยนะครับ ที่ยิงหลักพวกนี้นะผู้ที่ฟังแล้วก็ไม่ค่อยทราบซึ้งเป็นต้นเนี่ยนะครับให้รับรู้ข้อมูลเหล่านี้ไว้ก่อนนะครับใ ห, ให้ได้ยินได้ฟังไว้ก่อนก็ยังดีนะครับเพราะว่าจะอุปการะต่อการเจริญกุศลธรรมในครั้งต่อๆไปอย่างมากนะครับ เพราะว่าเวลาเราปฏิบัติแล้วอ่ะทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนี้ก็มาพลิกดูที่เราเคยได้ยินได้ฟังเคยอ่านนะกลับไปดูโอเ้เราบอกพร่องข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นมันจึงไม่ได้รับผลข้อนั้นพลาดข้อนี้จึงไปวิบัติในเรื่องนั้นเป็นต้นนะพวกพวกนี้เป็นคําสอนเชิงระบบนะครับค่าก็เรียนรู้ระบบก่อนนะครับวันนี้ยังซ่อมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ให้พอรู้บ้างเดี๋ยวมันเสียจริงๆแล้วมันก็ต้องใช้เองนะครับและอย่างหนึ่งก็ถ้าหากว่าถ้าปฏิบัติถูกก็จะต้องได้รับผลตามนี้นะครับ เพราะว่าคําสอนเหล่านี้ไม่ผิดไม่พลาดอยู่แล้วนะครับเป็นคําสอนที่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติไปแล้วให้ผลต่างจากคําสอนเหล่านี้ก็แสดงว่าเราเป็นอื่นไปแล้วนะครับเสียหายแล้วเรานี่เสื่อมจากาศาสนาแล้วทําไม่เป็นไปตามนี้นะครับ แ, แ, แสดงว่าเดินผิดแยกแล้วครับถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติเป็นไปตามนี้ก็แสดงว่าใช้ไม่ได้นะครับสิ่งที่เราทําน่าจะคนละอย่างจากคําสอน นะครับเพราะนี้เป็นเครื่องวัดอะนะเหมือนกับการเดินทางเนี่ยแผนที่เป็นหลักนะครับถ้ามันไม่เหมือนกับแผนที่ที่ขีดไว้สักอันเลยก็แสดงว่าน่าจะคนลังงานกันแล้วละ่ะนะครับก็จะได้เอะใจจะได้มาค้นว่าเฮอจริงจริงแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับเพราะว่าโดยเท่าที่สังเกตดูแล้วเท่าที่เห็นเห็นก็คือไปไปมามาก็หนักๆเข้าบอกโอ้่นั่นปริยัตนี่ปฏิบัติคิดดูนะครับว่าผมเอาเรื่องนี้มาคิดว่า ปฏิบัตินี้นะครับบูชามีสองอ ม, มิตรบูชากับปฏบิบัติบูชาใช่ไหมครับบูชาใครบูชาพระ ร, รัตนตรัยพระรัตนตรายเนี่ยองประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยนะอาจจะบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยบูชาด้วยอา ม, มิตรและตัวเองเนี่ยบูชาด้วยอามิตรบูชาด้วยการปฏิบัตินะครับต้องประพฤติปฏิบัติตัวเพื่อบูชาพระรัตนตรยัย เพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทีนี้ผมจะอยากเน้นถึงคําว่าพระธรรมพระธรรมได้แก่ปริยัติอริยมรรคอริยผลนิพพานมันถ้าจะบูชาพระธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องด้วยการปฏิบัติไม่ใช่ตัวเองปฏิบัติหนักๆเข้าห่างจากสิ่งที่ตัวเองบูชาเลยนะครับอันนี้ก็แสดงถึงความผิดพลาดน่าน่าสังเวชใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าหนักๆเข้าก็หนักๆเข้าก็แปลว่านั่นปริยัติ บอกก็นั่นพุทธพจน์ไอ้ น, นี่ฉันกําลังทำอะ่ะเพราะฉั้นกับพุทธพจน์คนา ง, งานสิอย่างนั้นอะ่ะใช่ไหมครับถ้าบอกว่าถ้าใครพูดว่านั่นปริยัติก็บอกนั่นพุทธพจน์ไม่เกี่ยวกับฉันก็โหไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรแล้วนะครับสังเวชใจได้เทว่าครับถ้าเราเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นเช่นนั้นบ้างน่าจะคติไม่ดีนักนะครับสําหรับคำคำว่าเสื่อมจากศาสนาในในความรู้สึกผมมัน เป็นคําที่แรงมากๆเลยนะฟังแล้วน่ากลัวเลยเพราะเสื่อมจริงๆนะครับเพราะเสื่อมจริงๆเพราะศาสนาคืออะไรศาสนาก็คือปริยัติศาสนานะครับปริยัติศาสนาคืออะไรก็คือแบบแผนแห่งคําสอนทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเสื่อมจากแบบแผนคําสอนทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็เราจะบอกว่าอยู่ในศาสนาได้ยังไงนะครับ